ที่ไหนที่ไหนผู้คนก็มักจะพูดว่าเดือนนี้อยู่ยากื่อคนที่พูดเนี่ยนะเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะไม่ใช่เป็นคนเจ็บคนป่วยไม่ใช่เป็นคนพิการแลวก็ไม่ใช่เป็นคนแก่เท่าบางคนก็ยังหนุ่มยังสาวหลายคนก็ยังอยู่ในวัยทางานที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นบางคนก็อยู่ในช่วงวัยกลางคน ได้ทั้งหมดนั่นะดูไปแล้วนี่ก็มีชีวิตที่สะดวกสบายสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยหรื อ, ส ะ, อสะดวกสะดวกสบายกว่าสมัยที่ตัวเองยังเด็กยังเล็กแต่ทําไมนะนั่นจึงบอกว่าหรือบ่นว่าชีวิตนี้เดี๋ยวนี้มันอยู่ยากแล้วมันก็น่าแปลกนะคนสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้แต่ชาวบ้านเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครบ่นนะว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากทั้งๆที่คนเหล่านี้ชีวิตก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนหรือว่าเมื่อ4 5่0ิปีที่แล้วนี่มันลำบากนะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอาไม่มีไฟฟ้าใช้ น้ำปลาปลาก็เข้าไม่ถึงอาหารการกินก็ลำบากแต่คาว่าอยู่ยากอยู่ยากนี่ไม่ค่อยได้ยินนะมันเพิ่งมาได้ยินเนี่ยก็ช่วงระยะหลังนี้แหละจากคนที่มีชีวิตที่สะดวกสบายสะดวกสบายก็เพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอุปกรณ์ทุ่นเวลา เดี๋ยวนี้จะไปไหนก็ไม่ต้องเดินแล้นะนั่งรถหรือขับรถแล้วแต่จะกินนี่ก็ไม่ต้องไปตลาดหรือด้วยซ้ำนะสั่ง Grab มาส่งเอาอาหารมาส่งสั่งไล man เอาอาหารมาส่งอาหารที่ไหนก็เลือกได้ทั้งนั้นรสชาติหลากหลาย ยิ่งมีโทรศัพท์มือถือด้แล้วเนี่ยชีวิตมันสะดวกสบายมากเลยจะไปหาใครก็ไม่ต้องแล้วโทรศัพท์เอาจะไปซื้อของก็ไม่ต้องถอไปด้วยตัวเองนะสั่งซื้อออนไลน์แต่ก่อนจะไปเบิกเงินธนาคารนี่ก็ต้องไปถึงธนาคารเดี๋ยวนี้ถอนเงินออนไลน์วนเงินทางออนไลน์ มันสะดกสบายอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนแต่ทำไมจึงบอกว่าอยู่ยากที่ยากนี่คงไม่ใช่ความยากทางกายนะทางกายนี่มันสดวกสบายแต่ที่ยากนี่คงเป็นความยากทางจิตใจมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความกระตุ้มใจ พวกนี้ตังหานะที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ที่อยู่ยากนี่นะมันก็มีส่วนสัมพันธ์กับความสะดกสบายนะบางทีเราอาจจะพูดไม่ถูกนะว่าเนี่ยทำไมทั้งที่ทสะดวกสบายหลายคนจึงบอกว่าอยู่ยาก ที่จริงเมื่อพูดว่าเป็นเพราะสะดวกสบายต่างหากนะจึงอยู่ยากนะเป็นเพราะสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยชีวิตจึงอยู่ยากพวกนี้ได้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้มาฟรีๆนะมันต้องซื้อเอาต้องมีเงิ น, นเพื่อซื้อรถซื้อบ้านยิ่งบ้านดู ใกล้ที่ทำงานหรือว่าใกล้แหล่งคมนาคมเนี่ยยิ่งราคาแพงนะเดี๋ยวคอนโดมินมเดี๋ยวนี้ก็ถ้าอยู่ในย่านที่เป็นทำเลดีใกล้ที่ทำงานก็้องสิบล้านรถดนก็เหมือนกันนะแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นอุปกรณ์เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ไอพอตไอแพดอะไรต่ออะไรนะั่นที่มันนําความสะดวกสบายมาให้เนี่ยมันรู้แล้วแต่ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นแหละและจะมีเงินซื้อความสะดกสบายได้มันก็ต้องทํางานอยากได้ความสะดวกสบายมากก็ต้องทํางานหนักและต้องเลือกหางานที่มีไรายได้สูง ซึ่งนั่นหมายถึงการต้องแข่งขันกันมากขึ้นแล้วก็ทำงานหนักมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลงานคุ้มค่ากับเงินเดือนที่เขาให้บางคนก็ทำงาน6วันหรือ7วันเลยนะใน1สัปดาห์เพราะว่างานที่ทำนี่มันเป็นงานดีเงินเดือนสูงยิ่งอันด้ต้องตื่นแต่เช้า บางตื่นตีสี่ตีห้ 5, รีบไปทํางานแต่เช้าเพราะว่าแม่งรถติดนะแม้จะขับรถก็ต้องเจอรถติดบนทางด่วนถ้าตื่นสายก็จะกลับถึงบ้านยายก็ดึกเพราะแม่พอทำงานเยอะมีเรื่องติดพันมากก็เพราะว่ารถมันติดแล้วเดี๋ยวนี้สดวกสบายตัวเองสดวกสบายไม่พอนะลูกหลานก็ต้อง สะดวกสบายด้วยหรือว่ามีอนาคตที่ถูกวาดเอาไว้หวังเอาไว้ว่าจะสุดวกสบายขึ้นในวันข้างหน้านั่นก็หมายว่าต้องพยายามหาทางทําให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดังๆโรงเรียนอินเตอร์ได้ยิงดีดเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่สดใสชีวิตได้จะได้สบาย อันนี้มันทำให้ผู้คนจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อแลกความสะดกสบายต้องแข่งขันกันมากขึ้นนะเพื่อได้มีเงินมากพอนี่จซื้อหรือว่ารักษาความสะดกสบายให้มันยืนยาวต่อเนื่องไปถึงลูกถึงหลานเลยทีเดียว และเดียวนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนก็คือว่าสะดวกสบายอย่างตอนนี้ยังไม่พอนะอยากจะสะดกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือว่าอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขาหรือยังกันนั้นคือรวยกว่าคนอื่นเขา ตนี้นะมันก็ทำให้ต้องแข่งขันกันหนักขึ้นทำงานหนักขึ้นถ้าสะดวกสบายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังพอทำเนานะแต่พออยากสะดวกสบายมากขึ้นพอเห็นคนอื่นเขามีหรือว่าอยากจะรวยยิ่งกว่าเขาจะได้สะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมผมมก็ต้องทำงานหนัก ดังที่บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะความสะกสบายนะที่ทำให้คนทุกว่านีอยู่ยากนมันไม่ใช่ว่าทั้งๆ ท, ที่สะกสบายทำไมจึงอยู่ยากนะใที่จริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันเลยเพราะความสะกสบายหรือเพราะปรารถนาความสะวกสบายเราจึงอยู่ยากขึ้นเรื่องกนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ต้องการแค่ความสะกสบาย เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมหรือมากกว่าคนอื่นเรายังต้องการอย่างอื่นด้วยนะต้องการอินเทรนด์นะอยู่ในกระแสหรือว่าต้องการเกาะกลุ่มเดีนะ๋ยวนี้วัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ต้องการกาะกลุ่มมากเลยมัขอนั่นหมายว่าใครมีเราก็ต้องมีบ้างไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นต้องทัดเทียมเขามันเป็นเรื่องของหน้าตา บางทีเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่เกอะกลุ่มนะแต่ว่าต้องการโดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหน้าตาเรื่องสถานภาพพอเราต้องการอะไรที่มันมากกว่าความสะดวกสบายเยช่นสถานภาพชื่อเสียงนะโอ้ผมก็ต้องยิ่งทำงานหนักขึ้น มองคนเป็นนักธุรกิจที่ประสบการณสอดเสร็จไม่พอนะอยากจะเป็นนักการเมืองมันจะได้โดดเด่นหรือว่าทํางานก็มีเงินพอใช้อยู่แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นหัวหน้ายังไม่ได้เป็นผอ อ, อ, อมันไม่ได้มันต้องเป็นให้ได้นะก็เลยต้องดิ้นรนขนขวายไขว้ควา้ามันก็เลยเหนื่อยไง มันก็เลยอยู่ยากขึ้ น, นก็เลยเต็มไปได้วยความเครียดความวิตกกังวลแล้วที่สมคัญอีกอย่างหนึ่งนะที่ทําให้คนอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยู่ยากเนี่ยก็คือการไม่รู้จักตัวเองนะตรงนี้คนไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่ ไปคิดว่าเนี่ยที่มันอยู่ยากเพราะต้องดินหล่นต้องแข่งขันชีวิตต้องเร่งรีบเนี่ข้าวของแพงอันนั้นก็จริงอยู่นะแต่ว่าที่สำคัญไม่น้อยไปกว่กากันเนี่ยก็คือการที่เราไม่รู้จักตัวเองเรื่องตั้งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะจากชีวิตหรืออะไรคือสิ่งที่ มีคุณค่ามีความสำคัญต่อชีวิตเราไปคิดว่าเนี่ยการมีเงินมีทองนะการมีสถานภาพหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความสดกสบายเนี่ยนะคือสาระสำคัญของชีวิตแล้วก็เลยทุ่มเทพลังงานเวลานะ รวมทั้งสละความสุขนะแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ได้มาแล้วก็ไม่มีความสุขหรือว่ายังสุขไม่พอยังอยากได้อีกโดยที่สิ่งที่ได้มานี่มันไม่ได้ตอบโจทย์นะหรือสนองความต้องการส่วนลึกของจิตใจเลยนะ คนเราไม่ว่าจะต้องการความสะดกสบายแค่ไหนเนี่ยท้ายแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราขาดไม่ได้เนี่ยคือความสงบใจความหรือความสงบเย็นและความสงบที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงดหรือเงียบสงบ อันนั้นก็สำคัญอยู่นะผู้เจ้ากษัตรัยนะว่าพึงนอนและนั่งในที่อันสงบอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งในโอวาทปาติโมกพึงนอนและนั่งในที่อันส ง, งับแต่ทั้งหมดนี่ เ, เพื่อนําไปสู่ความสงบในจิตใจหรือความสงบเย็นถ้าว่าจิตใจเนี่ยมันไม่พบความสงบเย็นแม้อยู่ในที่ที่สงัดไร้เสียง ก็ยังรู้สึกประสัทกระส่ายนะยังรู้สึกไม่เป็นสุขคนจุนวนไม่น้อยนี่ก็ น, นีไปอยู่ที่ที่มันไม่มีเสียงรบกวนเสียงดังไปอยู่รีสอร์ทที่ไกลจากผู้คนแต่ก็สงบชั่วคราวเสร็จแล้วก็ว้าวุ่นขึ้นมาใหม่นะว้าวุ่นในจิตใจเพราะอะไรนะเพราะว่า ความอยากความวิตกกังวลเนี่ยมรบกวนสงวที่แท้เนี่ยคือสงบจากความอยากนะถ้าเรามีความอยากอยู่เรื่อยไปเนี่ยมันหาความสงบได้ยากแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีสิ่งกระตุ้นให้เราอยากสิ่ง่เราย่อหย่วนนี่เยอะแยะไปหมดเลย โดยเฉพาะจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยตากล่าวสิ่งที่รเราเล่าย้อนลรามก็จากโทรทัศน์นะซึ่งเราก็เปิดดูเป็นบางเวลากลับมาบ้านจึงเปิดโทรทัศน์เจอโฆษณาที่กระตุ้นให้เราอยากน่นอยากนี่แต่พอเข้านอนหรือไปทํางานเนี่ยไม่ไ ด, ด้ไม่มีโทรทัศน์ดูมันก็สิ่งเล่าเล่าย้อนก็น้อยลง แต่เนี้สิ่งเรา้าเราย้อนย้อนี่มันตามเราไปทุกที่เลยนะพร้อมมันมากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็มันไม่ได้มากับโฆษณาตรงๆ อ, อย่างเดียวมันมากับโซเชียลมีเดียเห็นคนนึ่นเขามีเราก็อยากมีบ้างเห็นเพื่อนเขาไปเที่ยวแล้วอยากเที่ยวบ้างเห็นเขาไปกินอาหารร้านดังแล้วก็อยากกินอย่างนั้นบ้าง แล้วก็รู้สึกเสียใจที่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราต้องทำงานเพราะเราต้องดูแลลูกต้องเราต้องดูแลพ่อแม่เกิดความรับคล้องใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รบกวนความสงบในจิตใจอีกอย่างหนึง่งนอกจากสงบจากความอยากแล้วเนี่ยมันเราต้องสัมผัสกับความสงบนะจากความวิตกกังวลจากความรับแค้นใจ ซึ่งมันก็ไปด้วยกันนะไอความอยากความวิตกเนี่ยหรือความกลัวยิ่งอยากอะไรมันก็กลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่อยากมันไปด้วยกันเลยนะความอยากความกลัวหรือวความวิตกกังวลเนี่ยไม่ว่าอยากอะไรเนี่ยมันก็จะวิตกว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นอยากได้ตําแหน่งอยากเลื่อนขั้น อยากสอบให้ได้มันก็กลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นเกิดความวิตกกังวลแล้วพอไม่ได้ก็รับแค้นใจนอกจากสงบจากความอยากแล้วเนี่ยนะหรือสงบจากความวิตกกังวลแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จิตใจเราต้องการก็คือสงบจากความรุ่มร้อน ความรุ่มร้อนเนี่ยส่วนนึงก็เกิดจากความอยากนะพอมีสิ่งเราเรายั่วยวนเนี่ยอยากขึ้นมามันก็รุ่มร้อนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากสิ่งยั่วยวนแล้วสิ่งยั่วยุมันก็ทําให้เรารุ่มร้อนเหมือนกันนะเพราะมันยั่วยุให้เราโกโรธยั่วยุให้เราเกลียดยั่วยุให้เรา นะไม่พอใจเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีมาเรื่อยๆนะจากโซเชียลมีเดียจากโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ใครใช้โซเชียลมีเดียเฟซ o o ๊กก็ดี l ล n e ก็ดีบางทีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกรุ่มร้อนเพราะเห็นข้อความหรือข่าวบางอย่างบางทีก็แชร์กันไปแชร์กันมาแชร์ข่าวที่มันทำให้ เกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดเดี๋ยว่าช่วงที่มันการเมืองไม่นิ่งเนี่ยหรือว่ามีการขัดความจัดแย้งกันทางการเมืองแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะทีก็รุ่มร้อนเพราะว่าคำพูดคำจาของเพื่อนรวมงานซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็แพร่หลายก็ได้ง่ายเหลือเกินผ่านโซเชียลมีเดียผ่านไลน์ คนเราเนี่ว่าไม่รู้ไม่มีโอกาสได้สัมผัสความสงบจากความรุ่มร้อนนี่มันมันก็ต้องอยู่ยากเป็นธรรมดาและที่สัมผัยากนี่คือสงบจากความฟุ้งซ่านอันนี้คือสิ่งที่รบกวนจิตใจผู้คนมากนะทำให้นอนไม่หลับทำให้กระสับกระส่ายความสะดวกสบายที่มีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทาให้ ความว่าวุ่นฟุ้งซ่านในจิตใจมันลดน้อยลงเลยมันกลับทําให้เพิ่มมากขึ้นที่จริงเวลาเราพูดถึงความว่าวุ่นฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็มันก็ห น, นีไม่พ้นนะความอยากก็ดีความวิตกกังวลก็ดีหรือว่าความหงุดหงิดความเกลียดชังหรือว่าความรุ่มร้อนแล้วทำยังไงนะให้จิตใ จ, จเนี่ยมันได้พบกับความสงบจากสิ่งเหล่าเนี้ แมนจะเป็นความอยากความวิตกกังวลความเครียดความรุ่มร้อนความว้าวุ่นฟุง้งซ่านเราจะหลบไปที่ไหนเนี่ยมันก็ตามเราไปทุกที่นะจนกว่าเราจะรู้จักนะหันมาดูแลจัดการกับตัวเราเองโดยเพราะจิตใจของเราและนี่เป็นเพราะว่า อันนี้คือความสําคัญว่าทำไมเราต้องรู้จักตัวเองพอเราไม่รู้จักตัวเองมันก็ยากนะที่จะพบกับความสงบในจิตใจถึงแม้ว่ามันจะได้รับความสำเร็จนะได้รับความสะดกสบายมีหน้ามีตาได้รับคายกย่องสรรเสริญชื่นชม เรตติ้งสูงนะมีคนกดไลค์ให้มากนะแต่ว่าภายในนี่ไม่พบความสงบเลยบางทีมันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะเพราะว่ามันทำให้เป็นทุกข์เหลือเกินและที่ว่าอยู่ยากอยู่ยากก็เพราะเห็นนี้แหละนะเราไม่ได้พบได้สัมผัสกับความสงบในจิตใจเพราะถูกความเครียดมันกลุ่มรว ม, รมเล่นงาน ถูกความอยากมันบีบคั้นใจการที่เรากลับมารู้จักตัวเองเนี่ยมันสําคัญนะในด้านหนึ่งเนี่ยพระท่านก็สอนนะให้เรารู้จักลดความอยากหรือว่ารู้จักพอใจในสิ่งที่มีทุกวันที่เราสะดกสบายมาไม่น้อยแล้วถ้าเรารู้จักพอใจในความสะดวกสบายหรือพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ย ในการที่จะได้พบกับความสงบจากความอยากเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าพพ้อมๆกับความรู้จักพอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะก็คือการที่เรารู้จักเท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมทุกวันนี้มันก็ยากนะที่จะไม่เกิดความอยาก เพราะมีสิ่งเยาวยวนเยอะแล้วไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะที่เราจะห่างไกลจากความเครียดความวิตกหรือว่าความโกรธเกลียดความหงุดหงิดเพราะมีสิ่งที่ยั่วยุอยู่เรื่อยๆในด้านหนึ่งเราก็ต้องรู้จักนะควบคุมการเสพข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้สิ่ง ยั่วยแล้วยัวยุย่ยยนี่มันมารบกวนหรือก่อความปั่นปวดเธอจิตใจแต่เราต้องการมากกว่านั้นนะหรือเราควรจะมีอะไรมากกว่านั้นอย่างที่บอกนัคือการรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้นะหรือเราห้ามมันได้ยากตาก็ที่เราเป็นปุตุชนเนี่ยนะเวลาตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือได้อ่านข้อความ ได้เห็นโฆษณาหรือว่าได้ยินคนเขาพูดจาตำหนิติเตียนหรือต่อว่าด่าทอมันก็ย่อมเกิดความโกรธมันก็ย่อมเกิดความไม่พอใจหรือแม้จะเป็นสิ่งดีๆที่มากระทบตามันก็ทำให้เกิดความอยากอยากได้เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่า ว่าเรามีสมรรถนะในการรู้ทันนะความคิดและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ทำอะไรเราได้ยากนะสมรรถนะ ท, ที่ว่าเนี่ยคือการรู้ทันความคิดละอารมณ์เนี่ยเกิดจากอะไรนะเกิดจากสติถ้าเรามีสติเนี่ยมากพอสติที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยแม้มันจะมี ความคิดหรืออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มารบกวนหรือรังควานจิตใจเราได้ยากมันช่วยทำให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดและอารมณ์ได้เร็วขึ้นและต่อไปมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ปล่อยใจรอยฟุ้งซ่านจนทั่ง ไปคุ้นคิดนึกถึงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธเกิดความโมโหซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ไปหมกมุ่นจนทำให้เราเกิดความวิตกกังวลซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นคือเป็นอนาคตเมื่อเรารู้จักกากับใจให้อยู่กับปัจจุบัน มันก็ทําให้เราเนี่ยมีสมาธินะกับการทํางานได้ดีขึ้นสิ่งที่จะมาทําให้ใจเราวอกแวกแม้มันจะมีแต่มันก็มีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงและแม้จะมีความวิตกกังวลเวียนเข้ามาผ่านเข้ามาในจิตใจแต่เราก็รู้ทันแล้วก็ไม่หลงนะ จะว่าไม่หลงเชื่อมันก็ได้หรือไม่หลงพลัดเข้าไปในความคิดและอารมณ์เ่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ช่วยทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นคือรู้จักในระดับของจิตใจที่จริงมันทำให้เรารู้ไม่ใช่แค่รู้จิตใจหรือรู้ใจเดียวมันทาให้เรารู้กายด้วยกายทาอะไรก็รู้ ใจคิดนึกอะไรก็รู้นะอันนี้คือการรู้จักตัวเองในอีกระดับหนึ่งนะคือไม่ใช่รู้เพียงแค่ว่าชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรหรืออะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่มีความหมายสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของเราแต่ห ม, มายงหมายถึงการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ ไม่ใช่แค่รู้ว่ากายทำอะไรแต่รู้ใจว่ากำลังคิดนึกอะไรรู้ว่ากำลังมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นแล้วไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำติดใจสิ่งที่มันช่วยทำให้เราเกิดความสงบได้นะสงบจากความอยากสงบจากความเครียดสงบจากความฟุ้งซ่านสงบจากความว้าวุ่นหรือความรุ่มร้อนบางทีเราพูดถึงความสงบหลายคนถึงสมาธินะ แต่อย่าไปมองข้ามสติเด็ดขาดเลยนะเพราะสติมันสาคัญมากมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เราจะห้ามความคิดไม่ได้นะแล้วเราห้ามได้ยากเลยแต่เราสามารถที่จะทําให้ความคิดนั้นมันไม่มารบกวนจิตใจได้ก็เ พ, เพราะเรามีสติรู้ทันความคิดรู้จักปล่อยรู้จักวางถ้าเราท้ได้เนี่ยชีวิตมันจะอยู่ง่ายขึ้นนะ เราในด้านนึ่งเราก็จะไม่เป็นท่าของความสะดวกสบายเราจะไม่ยอมทุ่มเทอะไรต่ออะไรอะอย่างเพื่อแลกความสะดวกสบายทั้งที่สิ่งที่เสียไปนั้นมันมีค่าเราจะไม่เป็นท่าของความสะดวกสบายแตขนาและขณาเดยียวกันนะเราก็จะพบกับความสบายที่ใจด้วยนะไม่ใช่แค่สบายกายเดินใจก็สบายด้วยสบายเพราะเบาสบายเพราะสงบ สบายเพราะว่ามันไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรที่ต้องแบกต้องยึดมารู้จักกับความสบายแบบนี้บ้างนะอันนี้มันช่วยทำให้การอยู่นะในโลกนี้เนี่ยมันมันง่ายขึ้นนะมันจะไม่ยากเหมือนเดิมคานี้พูดกันตอนนี้นะ